ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก 2. เกาะชายสังฆติพระพุทธเจ้ายัางไม่ชื่อว่าอยู่ใกล้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ว่าภิกษุจับชายสังฆติตามหลังย่างเท้าตามทุกก้าวแต่เธอมีความละโมบมีความติดใจแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาท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 มีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวสำรวมอินทรีย์ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าอยู่ใกล้เราโดยแท้และเราก็อยู่ใกล้ภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเห็นธรรมผู้เห็นธรรมย่อมเห็นเราข้อความจากอิติุตตะ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 สำหรับข้อนี้คือโพธิปัจกิยธรรมธรรมหรือธรรมะอันเป็นไปในปลายแห่งการตรัสรู้สามประการคืออิทิบาส4ธรรมหรือธรรมะที่ให้ประสบความสำเร็จสติปฐานสการตั้งสติส ม, มัปปทานสี่ความเพียรชอบอินสีห้าธรรมะอันเป็นใหญ่พละห้าธรรมะอันเป็นกาลัง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 ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดนิพพานแล้วด้วยอนุปาิเศ ส, สนิพพานธาตุในราตรีใดข้อความทั้งหลายที่ตถาคตกล่าวพูดแสดงระหว่างราตรีนั้นๆคือตั้งแต่ตรัสรู้แล้วจนถึงนิพพานย่อมเป็นอย่างนั้นเทียว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 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภายในเรือนแห่งตระกูลใดบุรบุรบูชามารดาบิดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีพระพรมภายในเรือนแห่งตระกูลใดบุรบุรบูชามารดาบิดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีเทวดาคนแรกภายในเรือนแห่งตระกูลใดบุรบุรบูชามานดาบิดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีอาจารย์คนแรก